สรรหาเรื่องราวดีๆชี้ทางบรรเทาทุกข์บรรลุซึ้งซึ่งปัญญาในสรนนิยสนทนาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะก็เป็นเวลาที่รายการสรนนิยสนทนาซึ่งมีดิฉันสรนนิยนาคพง์เป็นผู้ดําเนินรายการจะมาพบกับท่านผู้ฟังกันอีกวันหนึ่งนําเอาธรรมะของพระพุทธองค์ มามอบให้กับท่านผู้ฟังเพื่อเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความสุขทั้งทางโลกหรือโลกิยะแล้วก็ความสุขทางโลกุตระนะคะคือมุ่งเป้าหมายไปว่าถ้าปฏิบัติกันได้จริงๆจังๆแล้วท่านอาจจะพ้นทุกอย่างสิ้นเชิงตามพุทธประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้วันนี้ประเด็นทางโลกที่ดิฉันหยิบยกขึ้นมาเนี่ยเป็นงานของทางกระทรวงวัฒนธรรม รัฐมนตรีธีระสลักเพชรนะคะท่านก็ได้สนใจในเรื่องของการอยู่ร่วมกันของคนในยุคปัจจุบันที่ส่วนใหญ่จะอยู่กันแออัดตามคอนโดมิเนียมคือหมายถึงในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาก็คือคนต่างคนต่างมาต่างพ่อต่างแม่ไม่ใช่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงกันไปอยู่ในคอนโดเดียวกันเหมือนรังนกนะคะเข้าไปอยู่เป็นห้องห้องหหหห้องเหมือนรังพึ่งมากกว่ามีโลกส่วนตัวกัน แต่ว่าต้องมีพื้นที่ส่วนกลางที่ต้องใช้ร่วมกันปัญหาก็เกิดหลายอย่างอย่างพื้นๆก็เช่นเรื่องของเสียงนะคะบางทีก็พาเพื่อนมาปาร์ตี้กันค้างห้องก็ไม่สบายไม่ได้หลับไม่ได้นอนหรือว่าจะเรียนหนังสือหรือว่าจะทํางานบางทีก็เป็นเรื่องที่จอดรถเดี๋ยวฉันมีเพื่อนเขาแย่งที่จอดรถกันถึงขนาดตอนแรกก็กรีดรถซึ่งกันและกันหนักๆเข้าเอาเขาเรียกอะไรนะคะ กาวตราช้างในปรหยอดในรูกุญแจของกันและกันกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตก็เลยบอกว่าการอยู่แบบนี้เนี่ยมันห่างไกลาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมจึงควรจะสร้างวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันให้อยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นโดยคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้อาศัย <c oughs> เขาก็าผุดเอาแนวคิดนี้มีหข้อว่าประการที่1ต้องอยู่โดยมีน้ําใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อาศัยในสถานที่เดียวกันประการที่สอง ให้รักษาก ฎ, กฎระเบียบของสถานที่เพื่ออยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุขประการที่สไมให้หาเพื่อนประส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักกันนะคะเดินออกไปยังทำหน้ามึนๆใส่กันเลยไม่รู้อยู่ห้องไหนเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสมัครีประการที่4อันนี้สำคัญมากคือทรัพย์สินส่วนกลางเนี่ยเขาบอกว่าต้องรักษาของดูแลทรัพย์สินส่วนกลางเหมือนเป็นของเราเองจะได้มีของดีไว้ใช้นานๆประการที่5เอาใจใส่กัน มีจิตสํานึกที่จะช่วยดูแล ก, กันภัยต่างๆมันอาจจะเกิดขึ้นมาในใะจที่ช่วยเหลือกอ็กูลกันประการที่6ก็รักษาประโยชน์ส่วนรวมโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักเป็นประการที่ดิฉันเห็นว่าสอดคล้องกับความต้องการของพวกเราที่อยากจะมีประชาธิปไตยกันจริงๆจังๆเนี่ยนะคะถ้าหากว่าจะเกิดอย่างนี้ได้เราจะต้องคํานึงถึงเรื่องส่วนรวมเป็นที่ตั้งด้วย สำหรับการดำเนินชีวิตในแต่ละวันแต่ฉันเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะให้พวกเราทุกๆคนเนี่ยได้ใช้เวลาไปอย่างมีคุณค่านะคะในการที่จะพัฒนาตัวเองปรับปรุงตัวเองทางด้านต่างๆเนี่ยก็อยากจะให้ได้แง่ธรรมะเข้าไปด้วยดังนั้นเนี่ย เรื่องของวิถีพึ่งพาอาศัยสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันเดี๋ยวจะเอาไปสนทนาในช่วงเวลาที่ได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์ภพบุญอภิปุลโนจากวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีซึ่งท่านก็เมตตามากนะคะสัปดาห์หนึ่งเนี่ยจะมาร่วมสนทนาสามวันจันถึงพุธและพอวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์ทีนี้ก็จะเป็นพระจาก วัดนาปพง์ซึ่งพระอาจารย์คึกฤทธิ์สดทิพโลนะคะก็ได้มอบหมายให้มานำเอาพระสูตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้พวกเราได้ทำความรู้จักทำความเข้าใจกันแบบเต็มๆพระสูตรแต่ว่าตอนนี้ถ้าอาจารย์ไผ่บุ์พร้อมแล้วเราก็ไปพบกับท่านในช่วงถามโลกตอบธรรมกันนะคะสรรหาเรื่องราวดีๆชี้ทางบรรเทาทุกข์ บรรลุซึ้งซึ่งปัญญาในสันสนีสนทนาสวัสดีครับผมพิสณุนเองกลัดวันนี้ผมมาแนะนำทิปในการรวยเบ้นรวยเงินล้านง่ายๆครับ แกฝากสลากองสินพิเศษชมหมายอายุ5ปีเพียงหน่วยละ100บาทคนก็มีสิทธิ์รุนรดเเบนถึง10บขันฟังไม่ผิดหรอกครับรุนเบนเดือนละครับ2สองเดือนสุดท้ายลุนเดือนละ3ขันรวดแถมลุนวันที่1งร่วมี่บล้านบาททุกเดือนฝากครบกำหนดรับดอกเบี้ยสูงงานนี้ฝากก่อนรุนรดนเบนก่อนถึงสามสนายนี้นะโทเลยหนกหนึ่งห้า ตอบทางท่านฟังค่ะเวลาของรายการสรนสนีสนทนาที่ท่านกําลังฟังอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะคะเป็นส่วนหนึ่งจาก30นาทีที่เราพบกับท่านในแต่ละวันสัปดาห์หนึ่งก็พบจันทถึงศุกร์แล้วเป็นเวลาที่ดิฉันจะพยายามทําให้คุ้มค่าการฟังของท่านมากที่สุดนะคะมีประโยชน์ทั้งเดี๋ยวนี้ประโยชน์ทั้งอนาคตอันใกล้ ประโยชน์ทั้ง อ, อนาคตอันไกลและประโยชน์ทั้ง อ, อนาคตอันไกลพ้นฟังดีๆถ้าท่านหลุดพ้นได้นี่โอ้โ oh, ห oh. นะคะท่านไปไกลกว่าเส้นชายปกติที่นักกีฬาทั้งหลายพึงถึงกันทั้งนั้นวันนี้ก็ถึงเวลาที่จะได้พบกับพระอาจารย์ไพบุญอภิปุณโญแล้วนะคะในช่วงถามโลกตอบธรรมนี้น้ั ส, สการค่ะท่านคะอ า, าจริญพรค่ะพี่โจผิวชาไกลพ้นเลยนะคือมันเป็นไปได้อย่างนั้นจริงๆนะคะถ้าหากว่าเข้าใจแล้วก็มีความเพียรที่จะพยายามไปถึง ถ้าสําหรับบางบางท่านเนี่ยอ่าที่ที่ปฏิบัติมาเยอะแล้วเนี่ยอ่าก็ไม่แน่ว่าชาตนี้อาจจะเป็นโสดาบันชาติที่เจ็ก็ได้ของบุคคลผู้นันะะ้นอ า, า, า, าจารยา์เขาก็อาจจะแบบใกล้ๆเนี่ยเขาก็อาจจะถึงนิพพานนั้นเป็นที่สุขยิ่งกันท่านเปิดประเด็นอย่างนี้หลายคนบอกแล้วยังไงหรอโสดาบันชาติที่เจ็ดเนี่ยก็เรื่องนี้จะมาเกี่ยวข้องกับที่เราพูดกันที่คุณยมติวพูดเมื่อหัวรายการว่าวิถีชีวิตของคนเมืองแต่เพราะว่า การที่จะต้องม า, อ, าอยู่ในเกิดแล้วเกิดอีกเนี่ยจะต้องมาเจอสิ่งเหล่าเนี้ยอย่างพู้ที่อยู่คอนโดมิเนียมคอนโดมิเนียมเนี่ยก็จะมีการบ่นว่าเพื่อนบ้านชอบทําเสียงรบกวนการไม่เป็นระเบียบอะไรต่างๆถูกป่ะอันนี้จะเป็นการเกิด เ, เป็นทุกข์พระเจ้าว่าไว้เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดน้อยลงเนี่ยเมื่อมีการเกิดน้อยลงน้อยลงเท่าไหร่เนี่ยพระเจ้าถึงบัญญัติสิ่งนี้เรียกว่ามีความทุกข์น้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกั้งถึง มีความสุขมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นค่ะ <ขา S 1> อันนี้พอพูดถึงเรื่องของเสียงรบกวนในอในคอนโดมิเนียมหรือในที่ในบ้านเพื่อนบ้านของเราเนี่ยพระชจาตรัสว่าอย่างนี้นะว่าถ้าเธอพวกเธอเนี่ยสามารถอดทนต่อเสียงรูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายเนี่ยจะเป็นผู้ที่ง่ายต่อการเข้าสู่สมาธิผู้ที่ง่ายต่อการเข้าสู่สมาธิเนี่ยจะเป็นผู้ที่อ่าเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้มีอํานาจจิต มีอำนาจเหนือจิตจิตไม่มีอำนาจเหนือเราได้คผู้ที่มีอำนาจเหนือจิตจิตไม่มีอำนาจเหนือเราเนี่ยก็คือจะสามารถตริตรึกเรื่องใดก็ตริตรึกได้ไม่ตริตรึกเรื่องใดก็ไม่ตริตรึกได้เป็นผู้ที่สามารถเห็นได้ตามที่เป็นจริงเพื่ะนอาจจมาเลยมองว่าเอ๊ะถ้ามีเสียงรบกวนเกิดขึ้นในบริเวณบ้านเราเนี่ยมันก็ดีแล้วนะเพื่อที่จะให้เราได้อดทนเนอะไหมในการที่จะเข้าสู่เป็นผู้ที่มีเหตุในการง่ายเข้าสู่สมาธิ ค่ะถ้าจ๊าดคะแต่ น, นี้คงจะต้องพูดในเรื่องข้อเท็จจริงว่าบางครั้งบางทีเนี่ยเสียงนี่มันก็อาจจะดังมากเหมือนกันอาจจะต้องใช้ความสามารถในการที่จะอดทนค่อนข้างสูง <c oughs> แต่อย่างไรก็ตามพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไวา้ว่าถ้าเราทนได้ใช่ไหมคะใช่ผู้ที่ทนได้จะเป็นผู้ง่ายต่อการเข้าสู่สมาธิค่ะแล้วก็เสียงเนี่ยจะเป็นเสี้นน้ําต่อปฐมฌาน หมายความว่าอะไรไม่ได้หมายความว่าถ้ามีเสียงมากๆแล้วคุณจะเข้าฌานที่หนึ่งไปได้นะไม่ใช่อย่างนั้น <Okay. S 2> แต่เมื่อมีเสียงดั ง, ดงๆมากๆมารบกวนเนี่ยจิตเราจะไม่เป็นทุกข hmm. ์นี่คือความหมายในเนื้ยะนี้ตอนท่านจาะปฏิบัติธทำใหม่ๆเนี่ยมีประสบการณ์ที่รําคาญเสียงบ้างไหมคะแน่นอนเลยเสียงมาเห่ามาวัดเนี่ยเ <laughs> ห่าเราก็คิดว่าเอ้ยมันจะเห่า อ, อะไรกันมันหนักหนาขนาดนี้ใช่ไหม <Okay. S 2> เราก็มาคิดว่า อ, อ เอ๊ะแล้วตัวสุนัขเองเนี่ยหูมันแล้าปากมันยิ่งกว่าหูเราอีกทำไมมันไม่รำคาญตัวมันเองแล้วเราจะมาราคาญไปทำไมเราอดทนดีกว่าแล้วทนเข้าจริงๆแล้วจะสามารถไปสู่สมาธิได้จริงๆหรอคะมันยังได้ยินอยู่แล้วมีสมาธิหรือว่าพอทนไปเรื่อยๆมันไม่ได้ยินเลยได้ยินอยู่แต่ว่าสิ่งนั้นไม่มาเป็นเสี้ยนนาำใ น, นจิตค่ ะ, อ, ะอันนี้คือระดับของสมาธิที่หนึ่งที่ว่า พระเจบอกว่าเสียงเนี่ยเป็นเสี้ยนหนามของฌานที่หนึ่งหมายความว่าถ้ามีเสียงมาแล้วเนี่ยถ้าเราจะรู้ได้ไงว่าเราอยู่ในสมาธิขั้นที่หนึ่งคือเสียงนั้นจะไม่มากวนในจิตเราเราได้ยินไหมได้ยินอยู่ค่ะอย่างหลวงปู่ชาเคยเปรียบเทียบไว้ในการเทศของท่านบอกว่าเสียงเนี่ยได้ยินอยู่เปรียบเสมือนแก้วน้าที่วางอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเราเห็นว่ามันอยู่ตรงนั้นแต่เราไม่เข้าไปจับมันมันก็อยู่ของมันเราก็อยู่ของเราเสียงเราก็ได้ยินอยู่ก็มันก็อยู่ของมันจิตของเราก็อยู่จิตขอเราไม่เกี่ยวข้องกัน แยกกันไปไม่ติดไม่เป็นเท่ยนน้ำต่อกันละกันอืมอถ้าอย่างนี้ตอนที่สร้างสนามบินสวนภูมิเนี่ยถ้าทางการท่าเนี่ยได้รีบเข้าไปก่อนไปสอนธรรมะก่อนนี่ไม่ต้องจ่ายเงินเยอะเลยกนะ็ <c oughs> ไม่ต้องมีความขัดแย้งกันใช้ธรรมะนี่แหละในการแก้ไข <c oughs> แต่จริงๆแล้วเนี่ยดิฉันก็เห็นคล้อยตามท่านอาจารย์นะครับว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถไประงับในสิ่งที่มันเนื้อเกินการควบคุมของเราได้าการ ที่พยายามจะอดทน <Okay. S 1> นะคะก็จะเป็นส่วนที่ช่วยเราได้จริงๆแล้วก็ในใ น, ในที่คุณยมติวพูดออกมาเมื่อเมื่อตอนตอน้ตนรายการนี่เขายัง ม, มีวิธีการแนะนำ เ, เพื่อความอยู่ร่วมกันในสร้างสรรสังคมให้อบอุ่นนี่นั่นนสิคะในอริยะวินัยที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสำหรับพระภิกษุนี่มีไหมคะ <c oughs> วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันนะคะ ของพระเนี่ยเรามีเขาเรียกว่าอ่าข้อปฏิบัติทั้งสิบสี่อย่างนะอ ย, งอย่างในนี้เขาพูดถึงไว้หกอย่างใช่ไหมหกอย่างเนี่ยซึ่งมันก็สอดคล้องกับสิบสี่อย่างของพระเจ้านะสิบสี่อย่างของพระเจ้าเนี่ยอย่างหนึ่งที่พระเจ้าถักถึงก็คือการให้อเขาเรียกว่าเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันในในย่านไหนคือสมมุติว่าถ้าอุปชาเนี่ยเรามีอุปชาหรือมีอาจารย์เนี่ย ถ้าเผื่อว่าอุปชาหรืออาจารย์ป่วยเราต้องช่วยรักษาลูกศิษย์ในอุปชาหรืออาจารย์เดียวกันป่วยอุปชาหรืออาจารย์องค์นั้นจะต้องมารักษาหรือถ้าไม่รักษาก็ต้องให้อา่าเขาเรียกว่าจะทำมิกซหรือเพื่อนผู้ปฏิบัติที่อยู่ในอุปชาหรืออาจารย์เดียวกันเนี่ยมาคอยรักษาค่ะทางรักษาในเรื่องของออความเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาในเรื่องของตามธรรมการอบรมสั่งสอนการให้ออกจากอาบัติการศึกษาข้าววันต่าง ืก็ดูเหมือนกระสอดคล้องกันพอดีกับข้อที่ห้าเรื่องของเอาใจใส่มีจิตสํานึกช่วยกันดูแลภัยที่จะเกิดกับผู้ที่อยู่อาศัยที่เดียวกันค่แล้วก็เรื่องของความมีน้ําใจเนี่ยพระรัชบอกเลยว่าอันนี้เป็นการที่พระภิกษุอยู่กันอย่างไม่เสียบคือให้ตั้งเมตตาโดยทางกายวาจาและใจกับภิกษุผู้ใดก็ได้ที่มีศีล น, นะที่มีทิฏฐิเสมอกันเนี่ยที่ยังไม่มาขอให้มาถึงแตนะ่ที่อยู่แล้วก็ขอให้อยู่ต่อไปอย่างมีความสุข <Okay. S 2> นีคือมีน้ำใจเพื่อเฟื้อด้วยความรักความเมตตาทั้งกายบาจาใจอ mm hmm. อันนี้จะเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่เสื่ยง <Okay. S 2> อย่างที่ดูในองค์กรของเราเนี่ยอย่างองค์กรรักอย่างเงี้ยเรามาร่วมกันทํากิจกรรมใดสักอย่างใ mm hmm. ดอย่างหนึ่งอย่างเช่นทําความสะอาดเส้นาซนะหรืออ่ตัดผ้าทํากีวานในช่วงกระินก็แล้วแต่ทําตรงนี้ทิ้งไว้อีกคนหนึ่งจะเข้ามาช่วยทําตรงนี้ทุกคนแบ่งแยกงานกันไปทําะ ต, ตรงนี้ยังไม่เสร็จอีกคนหนึ่งก็มาช่วยอีกคนหนึ่งไปเปิดงานใหม่อีกคนหนึ่งก็ไป ช่วยสนับสนุนกันไปที่เป็นองค์กรที่ดีมากค่ะสําหรับอยู่คอนโดก็คือมีน้ําใจแก่กันเท่าที่พึงจะมีได้อย่างงั้นไหมคะใช่มีน้ําใจให้กันบ้างค่ะทีนี้กลับมาทางพระต่อค่ะพระพุทธองค์บัญญัติอะไรไว้อีกล่ะคะเรื่องพวกนี้ค่ะ <c oughs> ก็เรื่องของอในเรื่องของธรรมะก็จะมีรักษาผู้อื่นด้วยการอดทนะอันนี้อันที่ที่เมื่รสุเรียรพูดไปแล้วด้วยการไม่เด็ดเบียนด้วยเมตตาจิตแล้วก็ด้วยความรักใกล้เอ็นดู พระพุทธเจ้าตรัสถึงบุคคลที่เาเรียกว่ามูคณะเนี่ยคือเพื่อสาธรร ม, มิกรเนี่ยจะรักใคร่ชอบพอก็คือว่าอันที่หนึ่งไม่ใช้ผู้อื่นทำงานมไม่เป็นผู้ที่ชอบใช้ผู้อื่นทำงานนะและทีประการหนึ่งก็คือว่าถ้ามีลาบปัจจัยปัจจัยสี่เกิดขึ้นเนี่ยก็แบ่งปันให้กับหมู่พิสุขคนอื่นบ้าง น, นะ แล้วก็อ่ไม่ไม่ต้องการทําตัวให้เด่น mm. เป็นคนไม่พูดมาก <Okay. S 1> เป็นผู้รู้จักการเป็นผู้รู้จักประมาณเป็นคนใจสะอาดพวกนี้คือคือพระเจ้าตรัสถึงอ่ทำแปดอย่างที่ผู้ที่เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยย่อมเป็นผู้ที่น่ารักน่าพอใจน่าเคารพน่าสรรเสริญของเพื่อนผู้ประพฤติประมจาจด้วยกันค่ะ okay. ก็คือสรุปให้ฟังอีทีหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่ไม่ต้องการลาบไม่ต้องการตะการะไม่ต้องการทำตัวให้เด่นเป็นผู้รู้จักการเป็นผู้รู้จักประมาณอันที่หกเป็นคนใจสหอา hard. อันที่เจ็ดเป็นคนไม่พูดมากค่ะ <conoc S 1> <borrow. S 2> และอัน mm hmm. ที่แปดก็เป็นผู้ที่อ่าไม่เป็นคนมักด่าว่าร้ายเพื่อนผู้ประพติประจำด้วยกันคืออย่าไปว่าคนอื่นอืม ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจะเป็นคนที่น่ารักน่าพอใจ น, อน่าเคารพน่าสนรเสริญของคนอื่นๆห <c oughs> รือร่วมกันได้เนาะไม่ใช่พวกคนทำงานเนาะข้อนี้ออ่ดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าจะไปดูในรายละเอียดเนี่ยสามารถที่จะใช้ในสังคมของคนทั่วไปได้เลยนะคะอย่างการที่ อ่าไม่เห็นแก่ลาบส ก, การะที่มันไม่ควรได้เช่นของขอ ง, ของใครวางวาทิ้งไว้เก็บเข้าบ้านอย่างเงี้ยนะคะใช่แล้วก็ไม่ทําตัวให้เด่นคือเวลาอยู่ร่วมกันเยอะๆค่ะพอๆกันมันก็ดีนะคะพอเด่นเกินไปจิตใต้สํานึกมันสั่งให้หมั่นไส้โดยไม่รู้ตัวก็มีนะคะใช่ใแล้วก็การพูดมากพูดไปเนี่ยบางทีอาจจะเกิดเรื่องได้ไม่พูดไม่มีเรื่องใช่รู้จักกาลเทศะ นะครเวลาไหนควรทาอะไรไม่ควรทําอะไรใจสะอาดอันนี้สําคัญค่ะท่านคะความจริงจะว่าไปเนี่ยใจสะอาดอย่างเดียวเนี่ยก็น่าที่จะช่วยแก้ปัญหาการอยู่ร่วมกันได้ดีมากขึ้นโอ้แน่นอนเลยน ะ, นะคะเพราะว่าจะเป็นคนที่ไม่ดีเพียคนอื่นไม่ด่าว่าร้ายเพื่อนผู้ประพฤติกรหมจรรย์ไม่ด่าว่าร้ายเพื่อนที่อาศัยอยู่คอนโดเดียวกันองใช้ <c oughs> ได้ค <c oughs> ่ะแต่เออเท่ากับว่า ถ้าประพฤติ ร, รมเนี่ยในเรื่องของทางโลกมันก็ปัญหาเบา uh huh. หรือว่าถ้าเคารพเนี่ยเขาเรียกก็ไม่เป็นกฎระเบียบซะทีเดียวนะคะบอกว่าเป็นเขาเขาใช้เรียกว่าเป็นอะไรนะวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันเพื่อสร้างสารรค์ที่อยู่ร่วมกันด้วยความอบอุน่น <Yeah. laughs> นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะว่าเราเท่ากับว่า ได้ประพฤติทำด้วยล่ะใช่เพราะฉะนั้นก็เลยจะจะสรุปในเรื่องของคนที่จะทําอย่างนี้ได้เนี่ยสมมติเราอยู่ร่วมกันในสังคมคนที่จะเรียกว่าเอาใจใส่ดูแลผู้อื่นมีน้ําใจแก่การมีความเมตตานะหรือว่าไม่ด่าบ้าร้ายคนอื่นนะแล้วก็ไม่หวังลา่าไม่หวังอะไรพวกนี้ถามว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะทําอย่างนั้นได้อย่างไรอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้คนหนึ่งสามารถตั้งอยู่ในคุณธรรมนี้ได้ค่ะพระเจ้าตรัสอย่างนี้ ในข้อที่เก้ า, าสิบหกในตถาคตภาษะบอกว่านี้เป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกและความร่ำไรรําพันเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมาัสเพื่อเป็นรลุญายาธรรมเพื่อทํานิพพานให้แจ้งอันนี้คือสติประสาน ส, สี่ต้องมีสติต้องมีสติใช่ต้องมีสติอยู่ในไหนค่ะในกายก็ได้ในลมหายใจก็ได้นะ มีสติอยู่ว่าอะไรว่าเราจะตั้งอยู่ในกุศลรรมอันนี้พอ<ช>แล้วนอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังตรัสอีกในข้อที่อสรารคุปต์าสิรบอกว่าเมื่อเธอเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเพื่อรักษาตนก็เป็นการรักษาผู้อื่นมเมื่อเจริญสติปัฏฐานเพื่อรักษาผู้อื่นก็เป็นการรักษาตนด้วยสามสรารถารักษาตนรักษาผู้อื่นด้วยการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเป็นยังไงคค<ฆ>ําตอบก็อยู่ตรงนี้ว่า ในข้อหกสิบเจ็ดและหกสิบแปดบอกว่ารักษาตนด้วยการเสพธรรมะด้วยการเจริญธรรมะด้วยการทําให้มากซึ่งธรรมะอันนี้คือรักษาตนก็เป็นการรักษาผู้อื่นค่ะรักษาผู้อื่นด้วยการรักษาตนก็คือรักษาผู้อื่นด้วยการอดทนด้วยการไม่เปลีป่ย น, นด้วยเมตตาจิตด้วยความรักใครเป็นดู น, นี่คือข้อหกสิบแปดค่ะและนี่ก็เป็นจากร้อยแปดตถาคตพาสิทธ หรือเป็นพุทธวัจนธรรมวินัยจากพุทธโอษนั่นเองที่ท้าจารย์ภัยบูลได้ยอด่อมาอยู่ในแผน่นพับเล็กๆฉบับกระเป๋าเสียบกระเป๋าเสื้อได้เลยและเราจะแจกให้เป็นของขวัญปีใหม่สคสอสาหรับผู้ที่ได้เขียนมาขอหนังสือพุทธวัชฉบับก้าวย่ากอย่างพุทธะที่พระอาจารย์คึกฤทธิ์สดิพโลวัฒนาปะพงลำลูกกาคลองสิบได้มอบมาให้กับทุกท่านอยู่เป็นประจํานะคะกะ็ติดต่อกันมา เดี๋ยวจะบอกให้ว่าติดต่ออย่างไรอยากให้ถ้าอาจารย์ฝากอะไรเอาไว้อีกนิดนึงสําหรับวันนี้ที่ยังพอมีเวลาเหลือหนึ่งนาทีค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ที่ได้สรุปให้ฟังเมื่อสักครู่คือเราสติต้องสําคัญมากค่ะนะแล้วก็พระพาทธบอกว่าเธอทั้งหลายเนี่ยจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลเป็นอย่างดีมีความดําริทันตั้งเวลาด้วยดีตามรักษาจิตของตนเถอรักษาจิตยอย่างเดียวด้วยสตยินะรักษาจิตยอย่างเดียวด้วยสตยิ รักษาจิตด้วยสติวันนี้ยังไม่ต้องได้แผนภาพไปก่อนท่ อ, องอันนี้ไว้ก่อนเลยนะคะรักษาจิตด้วยสติแล้วสติจะรักษาท่านในทุกๆเรื่องอย่างนั้นไหมคะรักษาตัวเองด้วยรักษาคนอื่นด้วยค่ะ<ม>ก็นมัส ก, การของพระคุณพระอาจารย์ไพบุญอภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีไว้ในโอกาสนี้นะคะนมัส ก, การกับท่านคะ่ะจะพอมถามโลกตอบ ท่านฟังคะเราก็มาถึงช่วงเวลาที่จะอ่านพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันซึ่งก็ยังเป็นเรื่องของการบำเพ็ญพระชาติในอดีตขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะมาตรัสรู้ในพระชาติสุดท้ายเนี่ยนะคะพระพุทธองค์นั้นครั้งหนึ่งได้เกิดเป็นพระเวสสันดรซึ่งเป็นชาดกที่ดังมากจะมีการเทศมหาชาติในเรื่องนี้ยให้พวกเราได้ฟังกันอยู่เป็นประจำ ลองมาฟังจากพระโอษของพระพุทธองค์บ้างนะคะว่ามีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรเมื่อวานนี้ในพระชาตินี้ได้เล่าให้ฟังส่วนหนึ่งแล้วตั้งแต่ที่ได้ประสูตรขึ้นมาแล้วก็มีแต่จิตใจอยากจะให้ทานจนได้ให้ช้างสาคัญไปแล้วก็ทำให้ชาวเมืองกลิ้วกโกรธแต่พระเวสสันดร น, นั้นก็ยังไม่ละเลิกความพยายามที่อยากจะให้ทานตอนนี้เป็นการอ่านต่อนะคะหลังจากที่ชา ได้รับการอ้อนวอนแล้วก็ยอมให้ให้ทานต่อพระพุทธองค์ก็เล่าให้ฟังว่าเราให้ป่าวร้องเอืกอ ก, กเรอือว่าเราจะให้มหาทานมีเสียงเล่าลืออย่างใหญ่หลวงเพราะเรื่องนี้ว่าถูกขับเพราะให้ทานยังจะให้ทานอีกเราให้ทานช้างมา้ารถทาสีทาตโคและรับพระั้นให้มหาทานแล้วจึงออกจากนครไปพระน้นออกไปพ้นเขตนครแล้วได้กลับเลี้ยวดูเป็นการลา แผ่นดินได้ไหวภูเขาซิเนรุสั่นสะเทือนอีกในครั้งนั้นเมื่อถึงทางสีแพร่งได้ให้ทานรถเทียมด้วยม้าสีไปเราผู้ไร้เพื่อนบุรุษกล่าวกับพระนางมัสีว่าเจ้าจงอุ้มกันหาลูกหญิงน้อยค่อยเบาหน่อยเราจะอุ้มชาลีพี่ชายซึ่งหนักกว่าเป็นอันว่าพระนางมัสซีได้อุ้มกันหาชินะอันงาเหมือนดอกบุนดิกและเราได้อุ้มชาลี ซึ่งงามเหมือนรูปทองหล่อรวมเป็นสี่กษัตริย์สุคุมลชาติได้เหยียบย่ำไปตามหนทางต่ำๆสูงๆไปสู่เขาวงพบใครในระหว่างทางก็ถามว่าเขาวงอยู่ทางไหนชนเหล่านั้นสงสารเราและบอกว่ายังไกลมาก mm hmm. เด็กๆได้เห็นผลไม้ในป่า ก, ก็ร้องไห้อยากได้ผลไม้นั้นๆผลไม้นั้นๆเห็นเด็กร้องไห้ต้นไม้ก็น้อมกิ่งมีลูกดกเข้ามาหาเด็กเอง พระนางมัสีเห็นความอัศจรรย์ชวนสยองขนเช่นนี้ก็ออกอุทานสาธุกการโอ๋หนอของอัศจรรย์ไม่เคยมีในโลกหน้าขนพองต้นไม้น้อมกิ่งลงมาเองด้วยอํานาจแห่งพระเวสสันดรพวกยักษ์ช่วยย่นการเดินทางเพื่อความอนุเคราะห์แก่เด็กๆในวันที่ออกจากนครนั่นเองได้เดินทางถึงแวดแคว้นของเจตราชญาติในที่นั้นร้องไห้คร่ำครวญกลิ้งเกลือกทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ออกจากแว่นแคว้นของญาติเหล่านั้นแล้วก็มุ่งไปเขา ว, วงจอมเทพสั่งให้วิสุกรรมผู้มีฤทธิ์สร้างบรรณศาลาเป็นอาสมอันรมณ์รื่นวิสุกรรมได้สร้างแล้วเป็นอย่างดีตามดำรัสของเท้าสักกะพวกเราสี่คนก็ลุถึงราวป่าอันเงียบเหงาไม่มีว่แววแห่งมนุษย์ได้อาศัยอยู่แล้วในบรรณศาลานั้นในระหว่างภูเขาบรรเทาความโศกของกันและกันได้แล้วณนะที่นั้นเราดูแลเด็กๆในอาสม นางมัสซีไปเสาะหาผลไม้ในป่ามาเลี้ยงกันเมื่อเราอยู่ทึงในป่าสูงก็ยังมีนักขอไปหาเราได้ขอลูกของเราคือชาลีและกันหาชินะทั้งสองคนความบันเทิงใจเกิดขึ้นแก่เราเพราะได้เห็นยาจกเข้าไปหาเราได้ยื่นบุตรทั้งสองคนให้กับพราหมณ์ผู้มาขอนั้นไปเมื่อเราสละบุตรให้แก่พราหมณ์นามว่าชูชกในการนั้นแผ่นดินได้ไหว เขาสิเนรุสั่นสะเทือนอีกต่อมาเท้าสักกะได้ลงมาโดยเพศปรามขอพระนางมัสสีผู้มีศีลและมีวัดในสามีเราอีกเราได้จับหัดมอบหมายให้และหลั่งน้ำลงในฝ่ามือปรามมีจิตใจเบิกบานพองสาสให้พระนางมัสสีไปขณะที่เราให้ถวยเทศในนภาากาศก็พลอยอนุโมทนาแผ่นดินได้ไหวเขาสิเนรุสั่นสะเทือนอีก เราสละกชาลีกันหาและพระนางมัตสีผู้มีวัดในสามีไม่มีความลังเลใจก็เพราะเหตุแห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้ลูกสองคนนั้นจะเป็นที่เกลียดชังของเราก็หาไม่พระนางมัตสีจะเป็นที่เกลียดชังก็หาไม่สัพพัญยุตยานเป็นที่รักของเราเราจึงให้ของรักเพื่อสิ่งที่เรารักส่งให้ไปหมดแล้วนะคะ ลูกเมียต้องพออย่างนี้นี่เป็นพระชาติที่เป็นพระเวสสันดรของพระพุทธองค์เสียดายวันนี้เวลาหมดไม่เป็นไรคะ่ะพรุ่งนี้มาพบกันอีกนะคะกับรายการสันสนีสนทนาที่นี่ FM106 ครอบครัวข่าวคะ่ะสวัสดีคะ่ะติดตามการเข้าถึงหลักแห่งความเป็นจริงและวิธีแห่งการหลุดพ้นได้ในสันสนีสนทนาเวลา5นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับสรสนีนาคพง ที่นี่สททรเอฟเม106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคน